วันที่อะไรเนี่ยของปีใหม่รัฐบาลก็ให้หลายวั น, นสี่ห้าวันปิดถามวันดีไห ม, มนเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะถ้าใช้ประโยชน์เป็นก็ดีใช้ประโยชน์ไม่เป็นก็ไม่ดีเพราะวันเวลาเนี่ยมันเป็นตัวของมันเองเป็นแบบนั้นแหละมันไม่มีคำ ว, ว่าดีหรือไม่ดีคือทุกอย่างเลยมันอยู่ที่การมอง ถ้ามองว่าดีมันก็ดีถ้ามองไม่ดีก็ไม่ดีมันจะดีไม่ดีมันส่วนอยู่ที่เรามีส่วนได้ส่วนเสียกับมันทุกอย่างนะมันอยู่ที่เรามีส่วนได้ส่วนเสียกับมันเงินบาทหนึ่งเนะี่ยถ้าเราเห็นคุณค่าของมันและใช้เป็นก็เป็นประโยชน์บ้างนะอคนไม่ให้คุณค่ามันก็ไม่มีประโยชน์วันเวลาก็เหมือนกันนะวินาทีหนึ่ง ถ้าเป็นนักวิ่งแข่งลมกรดเนี่ยวินาทีสองวินาทีหรือจุดเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่ากับการเอาชนะคู่ต่อสู้ได้บางทีก็บอกเสี้ยววินาทีดังนั้นการที่จะมองวันเวลาว่ามันมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเนี่ยมันอยู่ที่ มองให้เป็นคุณมันก็เป็นคุณนะ่ะมองให้มีค่าก็มีค่าถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นเวลาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยธรรมชาติคือปกติมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนะวันเวลามันก็เกิดขึ้นะตั้งอยู่สักน้อยแล้วมันก็เสื่อมไปโดยธรรมชาติมันคือหมุนไปโดยตัวของมันเองเนะี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดไม่ดีดีมีดีมีชั่วแล้วมันก็ไม่ได้ทําเพื่อใครนะ ธรรมชาติอันนี้มันไม่ได้ทําเพื่อใครมันเวลาเนี่ยแต่มันเป็นไปโดยวิถีธรรมชาติของมันนะถูกผิดดีชั่วอะไรเนี่ยมันเป็นไปโดยธรรมชาติมันนะคำ่ำมืดสว่างเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาแบบนี้ทีนี้วิถีชีวิตมนุษย์จะไปเกี่ยวข้องกับมันอืมถ้าก็เลยไปตั้งชื่อมัน วันมาจากไหนอ่ะวันก็มาจากว่าตะวันตะเวนตะเวนหรือตะวันตาวันตะวันมันเคลื่อนคล้อยเลหนึ่งตาวันมันมีตะวันวองนะเราก็มาย่อไปเป็นหนึ่งวันถ้าหมุนไปครบขึ้นกับแลงบวกกันเนี่ยเรามองเห็นอยู่ข้างบนนะ มันสว่างแล้วมันก็มืดมืดแล้วมักลับมาโผล่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนดวงเดือนนะมันโผล่เราก็เรียกว่าหนึ่งเดือนตามปรากฏการณ์ของเดือนที่มันหมุนเนี่ยเข้าสิบห้าวันมันสว่างและสิบห้าวันมันก็มืดนั้นรวมกันก็ประมาณเดือนหนึ่งมันก็โผล่มาครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งก็โผล่มาครั้งหนึ่งก็เป็นหนึ่งเดือนเห็นนะเห็นหนึ่งเดือนเป็นดวงจันทร์อะรอย่เงี้ย อสองสว่างจันทปูปนละโซยัทธ า, าแต่ของเราไม่เรียกว่าอ่าดวงจันทร์เราเรียกว่าเดือนดวงเดือนเห็ น, เ ด, น, เ, นเดือนเคลื่อนคล้อยลอยต่ําเตือนเคลื่อนคล้อยจากหมู่เมฆเป็นเดือนแต่นี้มันสั้นๆนะเนี่ยดวงอาทิตย์ส่องปุ๊บมาเว่อมาเดี๋ยวก็คํามละแล้ว ไปประมาณสักยี่สบถมงสิบี่ชั่วโมงเนี่ยมันโผล่มาอีกแล้วกลางวันมันส่องอยู่สิบสองกลางคืนก็ประมาณสิบสองชั่วโมงเพราะนาฬิกามอกวัดกันเนี่ยนาฬิกานี่ก็ไม่รู้ใครตั้งนะเขามาสมมติเวลากะให้มันถูกกันนั้นอันนี้เขาก็เรียกว่าหนึ่งตะวันอันนั้นหนึ่งเดือนหรือหนึ่งพระจันทร์อันนี้หนึ่งพระอาทิตย์นะ เขาเรียกว่าสุริยะปฏิทินสุริยะแปลว่าอาทิตย์สุริยาแปลว่าพระอาทิตย์นะแต่พระจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าจันทรคตินั่นคติแปลว่าแบบแผนความเชื่อความยึดถือนับวันเวลาตามจันทรคติพระสงฆ์นี่จะนับวันเวลาตามจันทระคติ คือตามดวงจันทร์เอา้ากี่คำแล้วตอนนี้ปลงผมได้หรือยังอ้า1สิบห้าคำเป็นวันพระเนี่ยอันนี้วันพระดับไหมวันพระดับก็คื อ, อดับสิบห้าคำคือดวงอาทิตย์มันดวงจันทร์มันดับมัมันไม่โผล่เราก็เรียกว่าข้างแรมบางทีแรมแต่พอหนึ่งข้างขึ้นพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์เต็มดวง เรียกว่าข้างขึ้นอันนึ่งเป็นข้างแรมข้า ง, างดับข้างขึ้นช่วงนี้สิบเดือนเก้าดับเนี่ยเดือนเก้าดับเดือนสิบ เ, เพ่งเขาเรียกเดือนสิบเพนก็จะหมุนไปแบบเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงไปเรื่อยๆ <c oughs> คือเราสมมุติเพื่อใช้ประโยชน์มันแต่พระจันทร์วันพระอาทิตย์เนี่ยถามว่า มีปัญหากับชีวิตเราไหมมนะีดวงดาวเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์นะเช่นถ้ากลางคืนอย่างเงี้ยถ้ามัวลับไหล อ, อยู่โจรก็ขโมยนกลางคืนถ้ากลางวันดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันส่องสว่างใครก็ไม่กล้าขโมยเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่มีอิทธิพลแต่ดวงดาวจะ ม, <c oughs> มีอิทธิพลต่อการโคจรวิถีชีวิตชะตาไม่ใช่คนเนี่ยมันอาศัย เหตุปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละเขาดูเป็นตอนค่าเนีลยโอ้ยคนคง น, นอนหมดแล้วขโมยเนี่ยโจรปล้นหรือการผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเกิดจากอันนี้แหละเกิดจากวันเวลาที่เรามัวประมาทเผลอเลอสมว่าเรามีทรัพย์สมบัติสิ่งของสักเล็กน้อยเนี่ยเรามัวประมาทมันก็หดก็หายไปได้ าอาจจะเกิดจากภัยอาคีภัยจูระภัยอุทกภัยราชภัยราชภัยก็มีนะนาบางทีเราอาจจะไม่เคยได้ยินราชภัยภัยจากการเบียดเบียนทางราชการนะไล่ที่ก็มีอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีมากมายหลากหลายนะเวียนคืนมันเนี้ย มีการโกงการกินอะไรประมาณเนี่ยให้เรียกค่าชดเชยสินบาทสินบนอะไรไว้มากมายหลากหลายเราเรียกว่าราชภัยดังนั้นชีวิตของพวกเราทั้งหลายเกิดมาแล้วนอกจากต้องพยายามทำความเข้าใจว่าออธรรมชาติของโลกมันเป็นแบบนี้นะทุกอย่างเราสมมติกันขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่เกิดความประมาทในการที่จะขวนขวาย พัฒนาทั้งภายนอกภายในในให้เกิดการตื่นตัวให้รู้เท่าทันความเป็นไปของสังขารแล้วเนี่ยเราเองทั้งหลายเนี่ยเราทั้งหลายก็ต้องไม่หลงสมมุตินะที่มีที่เป็นสมมติมันเพลินนะดนตรีเนี่ยมากระทบกันหลา ย, ลายอันมาปรุงแต่งเอาอันนั้นมาใส่เอันี้มาใส่ก็เกิดความเพลิดเพลินขึ้นมาเป็นเพลงเป็นอะไรขึ้นมาอื บางทีเราก็ติดเราก็ชอบนะการปรุงแต่งแบบนี้มันเพลินรูปตารูปมีผิวสีเขอแดงเหลืองอะไรเนี่ยเหมือนไก่นะมันงามขนแล้วมาแซมขนนี่มาตืมเข้าไปเนี่ยเอ้าเราก็หลงปรุงแต่งรูปรถก็เหมือนกันแล้วก็เพลินมันเย็นเย็นบั่งร้อนร้อบั่งหวานหวานบั่งเค็มเค็มบั่งมันมันอะไประมาณเนี้ย นันเขาพยายามที่จะขายให้มันถูกใจเราอย่างกาแฟอย่างเนี้ยนนะเราท่านก็ไม่เคยเห็นนะเกิดมาก า, ฟาแฟแอแพงถึงว่าแก้วละสี่สิบห้าสิบแปดสิบเก้าสิบดี๋ยวนี้ทราบทราบมาว่ากาแฟที่ชมดเนี่ยเขาขึ้นแก้วละห้าร้อยนะแต่ก็ยังมีคนบ้า ก, กินอยู่นะตัวแปลกอยู่นะก็ยังมีคนบ้า ก, กินอยู่ ถามว่าได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรแต่เราติดกันปรุงปรุงปรุงปรุงพอปรุงปรุงราบปรุงลดปรุงกิ่นพรุงเสียงเอาเสียงกรอกหูอยู่เรื่อยว่าอร่อยอย่างไงนี้มันก็นึกถึงนะก็เกิดการชอบขึ้นมามันเป็นธรรมดานะเป็นธรรมชาติมันชอบชอบก็เอาไม่เป็นไรอ่ะนแต่มันก็จะหลงไปเพราะมันชอบมากเข้ามาเข้าการเป็นความยึด นะความยึดก็คำผูกพันความผูกพันความสนิหาความสนิหาแล้วก็ความหึงความหวงนะความยึดมาเป็นตัวกูของกูอีกแหละสุดท้ายนะก็เกิดการโกหกหมดเท็จการมุสาการทะเลาะบบาแวงการแย่งชิงเนะี่ยก็กลายมาเป็นว่าผิดศีลผิดธรรมเขาก็จึงบัญญัติศีลห้าขึ้นมา เฮ้ยห้ามมา น, นี้เด้อห้ามมา น, นี้นะห้ามคว า, ามสัตย์ทางรับทรัพย์าประพฤติผิดในกามห้ามโกโโหกมดเท็ดห้ามดื่มของมึนเมานะทาให้เสียสติอะไรวนะเนี้ยเนี่ยเขาก็จะมีวางกรอบของเขาอะเอาไว้ฉะั้นศีลธรรมทั้งหลายก็เริ่มมีขึ้นมาตอนที่มีคนยึดมั่นถือมั่นนี่แหละถ้าไม่ยึดมั่นถือมัน่นเขาก็ไม่มีศีลมีธรรมให้เราต้องมาดูแล ร, รักษาศีลธรรมคืออะไรเครื่องมือในการรักษาใจตัวเอง กรอบในการประพฤติปฏิบัติสังคมนี้จะอยู่ได้เนี่ยเพราะมีธรรมประจําใจธรรมก็มีหลายละอย่างทั้งขันติโซละจะหิริออ ต, ตปะจาคะปัญญาศรัทธามากขึ้นในเรื่อยๆจนกทั่งศรัทธาปัญญาวิมุตต์ไปโน่นเนี่ยนั่นก็จะสูงขึ้นแล้วก็หลุดไปเลยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราไม่หลงสมมติเยอะเนี่ยมันก็สบายชีวิตเนี่ย ทีนี้เราอยู่ในความเพลินต้องทํามัหนี้ให้คนเพลินต้องทำมาหนีให้คนชอบอย่าเนี้ยพอถ้าเป็นอย่างเงี้ยปัญหามันก็เกิดเรื่อยๆๆๆนะพอเราความมีความยึดถ้าไม่ทําปัญหามันก็เกิดขึ้นนะถ้าไม่ทําเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นเกิดอะไรคือสมมุติเนี่ยมีแต่มีให้มันพอดีอย่าไปยึดมันมากถ้ายึดมากอื เราก็หลงว่าเป็นตัวเรานั้นไม่ให้มันไปยึดมากไม่ยึดมากถือมากมีสมมุติใช้สมมุติให้เป็นใช้สมมุติให้ถูกอย่างเนี้ยแต่อย่าไปยึดมันนะสมมุติเนี่ยมันลึกมากลึกกับพยนุนตั้งแต่สมมุติข้างนอกสมมุติวัตถุสิ่งของที่เราสมมติเราตั้งชื่อให้มันสุดท้ายก็มาเป็นสมมุติว่าเป็นของเราแหสมมติว่าเป็นของเขาเนี่ย อมสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นต้นเป็นเราเป็นเขาขึ้นมานะเริ่มแบ่งฝัก แ, แบ่งฝ่ายแล้วสุดท้ายเราก็อยากเอามาเป็นของเราทุกอย่างนะจะเริ่มจะนี้อยากเอามาเป็นของเราเมื่อใดก็ตามที่เราอยากเป็นเจ้าของเเจ้าของเนี่ยมันจะกลายเป็นของมีราคาขึ้นมาดีจะเกิดการยื้อแย่งกันคนนั้นก็จะเอาเราก็จะเอาก็จะมีราคาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาทําข้าว ให้อดดอย่างๆบ้างเข้าเปียกบ้างเข้าเน่าบ้างเข้าดี๋ยวนี้พายุเข้าบางเวียดนามก็เข้าประเทศไทยก็มาไปมาน้ำท่วมประเทศจังหวัดนันมานี้บ้างข้าวจะเริ่มแพงคนต้องการเยอะอุปสงค์อุปทานจะปรากฏเกิดขึ้นนะมันก็จะหึงจะหงวงไพมีราคาละถ้าเราอยากได้มันจะมีราคาของสมมุติทั้งหลายที่มันราคาแพงเพราะเราอยากได้เยอะ เพราะอยากได้เยอะเนี่ยนะปรากฏการของเงินเฟอ้อก็จะเกิดขึ้นทันทีอ่ะการแลกเปลี่ยนเน่ยมันจะเฟอ้อมันจะเกิดขึ้นทันทีเงินกลายเป็นของไม่มีค่าแต่ก่อนเคยซื้อรถเท่าไหร่สองหมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นเดี๋ยวนี้แปดแสนเก้าแสนเป็นล้านก็มรเงี้ยแหวนก็นเหมือนกันนี่ไม่มีประโยชน์เลยนำมาลัดเนื้วมือเฉยๆเนี่ยแต่มันมีประโยชน์ไมไม่มีนะแต่เราให้ราคามันเยอ ะ, อะ ก็มาลัดในมือเราก็ใส่บางที่ใส่ให้นิวนน้วโป้งเดี่ยวนี้นิ้วโป้งนี่ได้แหวนดเดี่ยนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะใส่ก็ไม่เหมาะสมแต่เราก็ให้ค่าให้ราคามันดูดิมีหมดเลยอะ่ะหูนี่อยู่ๆก็ให้แหวนอามาห้อยนะห้อยในมือยังไม่อเอาแหวนมาห้อยหูนะบางทีเอ้าจมูกก็ได้แหวนบางทีเนี่ยเขาใส่ให้ไปสังเกตดูดิ มันจะไม่จนได้อย่างไรมนุษย์เนี่ยใส่ไปทุกอันทุกอันหลายบางทีใส่ ข, ข้อแข็งแข้งอีกนะโยมคนหนึงมาปฏิบัติทำใส่ข้อแข้งมาทั้งสองอโลต า, าเอาไปฟิดฟาดทิ้งเขาป่าไปบงังนั่นไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรจะมาประดับทำไมตกแต่งทำไมเดินไป ก, กระดังกิ้งกองิง้งองโอรูร้สกภูมิใจในการปรงแต่งสังขารร่างกายตัวเอง เขาว่าใส่มาตั้งนานแล้วไม่รู้กี่ปีแล้ว ก, กี่ปีก็ฟาดทิ้งไปวะมันยังไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับกายหรอกอืมแต่มันทําให้จิตเกิดการเสียบติดว่าเป็นของกูขึ้นมาะของกู้พอมีของกูมันไม่ได้มันต้องมีราคาลนะ่ะต้องมีค่าแลกเปลี่ยนทีเนี้ยอืมมันจะมีการอยากแลกเปลี่ยนด้วนี่นะต้องมีการซื้อพัฒนามาเป็นการซื้อขายด้วยรูปียะ อ้าหลับกันหมดแล้วลูปิยะลูปิยะลืมเอาหมูมาลืมเอาหมูมาเอาหมูมาบีบหรือเอาหมูมาบีบเพิ่งซื้อหมูมาจากตลาดได้หมูมาอุดอุดอุดอุ ด, อดเว <c oughs> เวลาพระหลับบีบหมูลอง <c oughs> จริงหลับบีบหมูลองเหนนะ็นมั้งมีลุง แล้วก็มีหานด้วยซื้อหานมาตัวนึงหานก็จะร้องดังวันก่อนบีบใอสซลานะคณครูปไทายวิ่งมาดูนึกว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวหาน ร, ร้องลืมตาเวลาทำเนี่ยทาให้มันสดใสให้เห็นมันไปไวว่ามันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยแดกกูแล้วเนี่ยคิดอย่างนี้เด็ ถ้าเห็นแบบนี้มันก็ถึงจะรอดไ ด, ได้ถ้าไม่เห็นมันก็ไม่รอดแล้วฟังไปเคลิบเคลิ้มไปมอนยานอนหลับนั่งไม่ได้แล้วเนาะขนาดนี้มลพระพุทธเจ้ามายืนอยู่ตรงนี้ใหญ่บล้มท่ำเลยเนี่ยเอา้าก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอ้ยพระพุทธรูปเนี่ยก็สวยนะสวยงามอืดลงตาอยากได้รูปตอนที่ท่านแก่น่ะนะฮัมลานเขาไม่มีอยากได้พระพุทธรูปตอนอายุแปดสิบนะนะก่อนปรินิพานหน่อยไม่มีเขาซื้อตอนไหนก็ได้แต่ตอนวัยรุ่นอยู่เหมือนเดิมเนะนี่ยนตาเป่งปังมีน้ํามีนวลไม่เหี่ยวไม่ย่นซกักทีพระพุทธเจ้าเนะี่ยะซื้อตอนไหนก็เป็นแบบนี้นะ องค์ตอยากได้พระพุทธรูปแบบแก่ๆมั่งงองมังแง่งนะองทําไปถ่ายรูปมาในที่วัดสุมังสุมังคลัขี่หลีหรือเ่าบ้านบางกว่างเข้าไปในวัดเขาตอนหลังสล่าหลังอุโบสถเขานะเขายังไม่พัฒนามีแต่พระพุทธรูปไม้พระพุทธรูปไม้นี่เต็มเลยหลังโบสถ์นะแต่องค์พระพุทธรูปเขาพระพุทธรูปพระประธานในอุโบสถเขาเนี่ย ปั้นด้วยทรายผสมน้ำอ้อยใครไม่เคยเห็นก็ไปดูนะสมัยก่อนเขาไม่ได้มีปูนซีเมนต์เนีนะปั้นเป็นพระพุทธรูปพระประธานอยู่ในโบสถ์นะไม่ค่อยสวยงามหรอกนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านยังไม่ได้เข้าเครื่องรดน้ำหนักมันมั่งเลยยังไงไปดูนะดูแล้วดีองนี้ก็หูยาวองนั้นก็จมูกโดง่งองนี้ก็จมูกแฟบ เฉพาะผ้าไหมนะจะเยอะมากหลากหลายดูยังไงก็ยังหน้าเคารพอยู่มองเนี่ยก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่นะนะแต่ก็พยายามมองว่าเออองค์นี้หนุ่มเนาะอง์นี้แก่นะองนี้คงสมัยบวชใหม่ๆนะเนาะเห็นไหมนะมองไปนะแต่ทุกวันนี้เรามองโอ้ยทําไม่เหมือนพระพุทธรูปเนาะที่จริงๆต้องมองหลากหลายแล้วแต่ว่าจิตเราจะสมมติให้มันยังไงนะ่ะถ้าเราสมมุติเป็นเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ละแต่ถ้าสมมุติไม่ได้ก็ทุกข์นะทุกทุก ถ้าเราไม่สมมุติเลอเราไม่สมมุติก็มันก็เสื่อมโดยสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอะชีวิตก็มีอยู่ประมาณนั้นแหละนะก็ไม่ได้มีอะไรแต่คนบางทีถ้าไม่มีโยนิโสมนสิกาเนี่ยจะดูไม่ออก ว่าอยู่นี่โมศมันสิการก็หมายก็ว่าความแยบคายนะแยบคายมาเร็วเร็วแยบแยบเนี่ยแปลว่าย่ำๆๆๆย่ำย่ำแยบสิบปากซอบอทอตาเห็นสิบตาเห็นแ่บอทอเมื่อขั้มสิบเมื่อขั้มบอทอได้ย่ำเบิงนะมาะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคทำสิบมือทําไม่เท่าได้ ขยำดูผมว่าบรมยนนด้สิบมือขำบัวใดทอใดยำกินนะบัวทอได้ย่ำกินยำเบิ้งที่เครื่องหมายเขาไม่สู้การทําในใจฮะสิป่าวว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคําไม่เท่าได้สัมผัสสิบมือคําไม่เท่าได้ไม่เท่ากับได้ทําในใจอ่ะยาดู ขย้ำดูก็คือเคี่ยวดูนั่นแหละคือทำให้มันละเอียดทางโลกเนี่เป็นอาหารแต่ทางในเนี่ยเป็นการมองเข้ามาด้วยไหนข้างในเป็นเรื่องของจิตนะคือทำให้ใจภาษาพระก็ใช้คาว่าโยนิโสมนัสสิการโยมณัสนิโสมนสิกามีสมัยหนึ่งนะมีคนไปถามพระปิสุรูหนึ่งในพุทธศาสนาเนี่ยถามว่า ทำยังไงอ่ะจึงจะได้บรรลุธรรมพระเจ้าชัยเสนซึ่งเป็นราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสานชอบไปลองของอยู่เรื่อยชอบไปถามพระถามเนรไปลองดีไปถามเอาความรู้เรื่อยรันหนึ่งก็ไปถามเอาความรู้จากสัมปนเนนเนนโอ้ยนะท่าน ราจะุ ก, กมัรกับพระเจ้าใ้บวชไหมพูดจอบอย่างนี้เล่าลงมาดูดิบวชมาแล้วมันได้อะไรบ้างเนี่ยบวชมาแล้วได้อะไรบ้างไม่ตอบไม่ได้หรอกได้ต้องตอบได้แหละว่ามาเถอะเนรก็ปฏิบัติทำแล้วก็แต่เพิ่งได้อารมณ์ใหม่ๆยังขยันขยอนะถามคือไม่เชื่อว่าถามพระ เทระพระอะไรเนี่ยเขาจะทงตอบได้อ่ะแต่ถ้าถามเนรไม่น่าจะตอบได้มันไม่น่าจะรู้เรื่องถ้านเน้นตอบได้ก็ศรัทธาละมีความเชื่อพระพรหมมาจันท์นี้มันเป็นจริงๆอ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าตั้งแต่อายุเจ็ดปีขึ้นไปเนี่ยจะสามารถสัมผัสกับสัจธรรมได้อเป็นไปได้เหรอถ้าปฏิบัติถูกเป็นเนี่ยถ้าปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นอืถูกถูกยังไงอ่ะท่านเกลืออู้ ไม่ถูกยังไงท่านหมาบอ่อพิษทําไมจะไม่ถูกอถ้าถูกมันต้องเป็นแหละเอา้าทำเล่นๆไปนี่นะผมถามนะทําเล่นๆไปนี่นะเล่นก็ได้ถ้าทําถูกถูกแบบเล่นๆทําจริงๆอ่ะ จ, จริงก็ได้ถ้าทําถูกแบบจริงๆนะถ้าทําไม่ถูกทําจริงๆก็ไม่ถูกอ่ะจริงของท่านไม่ใช่จริงของพระธรรมมันไม่เกิดเขาหรือว่าโอ้ยเขาไม่เชื่อ ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้สา ม, มเณรเลยบอกว่าโหแต่ก่อนอาตมานี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเด้นะบวชมาแล้วก็มานั่งจเจริญสติปฏิบัติธรรมแต่น้อยมาทําบุญกับแม่ท่านกพาสร้างจังหวะท่านบอกว่าความคิดเป็นทุกข์ออกจากความคิดซะ ก, ก็พยายามทําตามทํำเรืเ่อยๆคุณแม่บอกว่าให้สังเกตสังเก ต, เกตอารมณ์ให้สังเกตให้มันต่อเนื่อง ทุกเนี่ยให้เห็นอยู่เรื่อยๆก็เกิด อ, อ, อืความเข้าใจขึ้นมาเนนโ น, เน่ เ, รรน เ, เนี่ยเข้าถึงธรรมคนเขาว่าเนนี่เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมท่านก็ไม่อยากพูดเนาะแต่พระย่อช่ายย เ, เนี่ยท่านจะไปขยันกขยอให้พูดให้ฟังท่านว่าบ่ใหม่ๆก็คือไม่รู้เรื่องอะไรแหละอืแต่ธรรมะนี่รู้มาก่อนแต่พอบวชมานี่ทำเนียมพระก็จะมีเยอะ มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ข้าบวชมาเป็นเน้นเน้นก็ฝึกทีแรกก็ทำนี่แหละเจริญสติกายคตาสติสติที่ระลึกรู้อยู่กับกายเนี่ยให้มันชัดเจนสักพักก็จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดฌานบ้านเราเรียกว่าได้อารมณ์เกิดฌานฌานคือการเพ่งความคิดระดับไป เพ่งความคิดระดับไปเพ่งความม่วงความเน่าเพ่งความปรุงแต่งเกิดขึ้นดับไปเนี่ยคนไหนเห็นความคิดมันดับได้เขาเรียกคนนั้นมีฌ า, านฌานแปลว่าเพียนเพ่งเผากิเลสนะเรามีไหมมีฌานเพี้ยนเพ่งเผากิเลสเห็นปุ๊บเออมกระดับไปแล้วมันดับช้าก็แสดงว่าฌานยังไม่คมฌนะานไม่คมต้องทําให้มันคมขึ้นมาฌานะฌานะในแปลว่าเพ่เพเพง เข้าฌานเนี่ยเข้าฌานไม่ใช่เข้าไปอยู่ในความสงบนะแต่คําว่าเข้าฌานก็คือเข้าอยู่ในสภาวะธรรมที่พร้อมที่จะเพียนพิ้งเบาขีดเห็นความคิดเกิดขึ้นมากระดับได้เห็นความง่วงความเงาเกิดมากระดับได้ความเบื่อความหน่อยถ้ามันดับได้เรื่อยๆนั่นะเขาเรียกว่าคนมีฌานแต่ถ้าความคิดเกิดขึ้นดับก็ไม่ได้เรียกว่าไม่มีฌานนะนั่นะต้องให้มันมีฌานไปจําตัวปฏิบัติธรรมเนี่ย ให้มันมีมีอยู่ในตัวเองมีตัวเพลนเพ่งเผากิเลสเหมือนมีไฟคนไในมีฌานก็คือมีไฟในตัวมีไฟในตัวเขาทิ้งขยะมูลฝอยมาเผาทิ้งทิชชู่มาเผาถ้าเขาทิ้งท่อนเสาเข้ามาเผาไม่ได้อ้วตายอันเนี้ยมันกินยากไฟมันไม่พอก็ต้องทำความเพียน ให้มีฌานเยอะๆขึ้นมาเองทำฌานเนี่ยมันมีพลังเยอะๆพร้อมที่จะเผามันถ้ามีฌานปุ๊บเอ้าเขาบอกว่าจะสังเกตว่าคนไหนที่สามารถเข้าฌาตนตัวไหนก็ได้ออกฌาตนตัวไหนก็ได้เนี่ยคนนี้ใกล้จะเห็นความดับของทุกข์ละนะเห็นความเกิดความดับของกิเลสได้ก็ อ, อยากเข้าฌาตนตัวไหนก็ได้สมาธิเนี่ย เอาเข้าชานก็ได้ออกจากชานออกจากสมาธิก็ได้เดินไปมาเย็นสบายโล่งโปร่งเนี่ยเอาจะเริ่มแล้วสามารถนะเกิดวิชาสามได้ง่ายๆเขาเรียกวิชาสามวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามประการเนี่ยได้ง่ายๆคือตั้งแต่ชำระล้างจิตอดีตเนี่ยชำระล้างใจรู้เท่าทัน ที่มันจะกระโดดไปอนาคตเนี่ยได้อดีตพอรู้เท่านั้นแล้วเอ๊ะมันจะคิดไปอดีตรู้แต่พอมันจะรู้ไปอนาคตมันไม่ค่อยทันมันถ้าทันปุ๊บอ่ะมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดวิชาขึ้นมานะจนกระทั่งวันโนูนแล้วเกิดวิชาที่สามทำลายกิเลสที่มันซ่อนแอบแฝงอยู่ในใจเนี่ยได้พวกอัตตาตัวตนพวกนี้แหละสลายหายไปอืม เจ้าชายเนี่ถามว่าเอา้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอมเอาจริงๆนะโยมนะอาตมาทำแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะอืมเป็นไปได้หรือคนบวชแล้วตั้งใจทำสมาธิและจะเกิดวันนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็ต้องมีอารมณ์ละรัลกลบโกรธ้องอะไรประมาณนั้นเราก็เลยว่าเออทาเหมือนคนขึ้นไปอยู่ในที่สูงเนี่ย มันจะมองเห็นที่ต่ำโยมเคยเห็นไหมคนขึ้นอยู่คนอยู่สูงกับคนอยู่ต่ำใครจะมองเห็นได้ไกลกว่ากันใครจะเห็นอะไรได้ชัดเจนกว่ากันถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่เห็นเหมือนเราฉายไฟฉายใส่ขาเนี่ยเขาจะเห็นขาฉายไฟฉายจากตัวลงมาก็าจะเห็นหมดตัวเนี่ยจรัิ่งถ้าถอยออกไปไกลๆเนี่ยมันยังเห็นชัดเจน ถ้าโลตาเข้าไปมองดูใครสักคนเนี่ยมองดูแต่ท้ายทอยมันก็เห็นท้ายทอยมนะันแท่นั้นแต่ถ้าออกมาไกลๆนี่ก็จะเห็นหมดตัวเลยเนี่ ย, เ, ยเห็นหมดตัวนั้นคนไหนก็ตามถ้ายังคลุกคลีอยู่กับชีวิตในสิ่งที่ตัวเองอยู่เนะี่ยมันจะไม่รู้เรื่องเราอยู่กับรูปเวทนาเส้น ญ, ญาตสังขารวิญญาณมันไม่สามารถที่จะเห็นมันไม่รู้เท่าทันมันหรือมอุปมาเหมือน ช้างมา้าวัวควายตัวที่ฝึกกับตัวที่ไม่ฝึกตัวไหนสามารถไปถึงเป้าหมายได้กว่าดีกว่ากันนะ่ะตัวที่มันฝึกเนี่ยมันต้องไปถึงเป้าหมายลนะ่ะะขาดการณ์ไว้แล้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ตัวที่ไม่ฝึกเนี่ยไม่รู้มันจะไปถึงเป้าหมายนะปล่อยออกจากนี่ปุ๊บมันไม่รู้นะเป้าหมายมันคืออะไรนะเหมือนคนเราเนี่ยนะเกิดมาไม่รู้จะไปทางไหนเป้าหมายชีวิตเนี่ยก็สเปสะสปะไปทั่วละ่ะ นไม่รู้เป้าหมายคืออะไรเนี่ยไปทั้งไหนในชีวิตเนี่ยมันไม่รู้จักงั้นวัวควายช้างม้าตัวที่ฝึกหัดจะมีภาษีดีกว่านะอัตมาก็เหมือนกันไม่เคยฝึกเคยหัดนี่นะไม่เหมือนมหมาบอพิษนะทามหาบอพิษก็เหมือนกันถ้าไม่เคยฝึกเคยหัดมันก็ไปไม่ได้นะโยมไม่เคยฝึกเคยหัดจะไปสู่เป้าหมายเส้นทางปลายทางได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นคนที่ได้ฝึกได้หัด เอา้าถ้าฝึกถ้หาหัดแล้วถ้าทำถูกนะสังเกตตามที่พูดแล้วทำทำอย่าถูกต้องไม่ปรารถนาก็สามารถบรรลุทำได้เข้าถึงทำได้อุปมาเหมือนไก่ฟักไข่ไม่ต้องปรารถนาว่าจะให้ออกลูกเป็นตัวแต่มันก็จะออกมาเป็นตัวได้พระเจ้าแผ่ดินว่าเขาพรเจ้าเองนะ ก็ไม่มีความปรารถนานะก็ไปใครไปวาดตะขาบนี่แล้วใส่ดอกกุหลาบเสร็จดอกกุหลาบดอกเ้ยวาดผิดแล้วเนี่ยลำผิดก่อนตะขาบเนะ่ในตำรามันไม่ได้คาบดอกบัวนะเนี่ยพวกวาดไม่เป็นโดยใช้คูบายุดเอาน้ำลายลบออกเนะี่ย มันไม่มีดอกบัวตะขาบเนี่ยไม่มีดอกบัวนะนี่แหละมันไม่จําตำรับตลาใครคนวาดกับวาดไปเดียไม่รู้เรื่องอะไรนะเต่าเนี่ยถึงคาบเต่าน่ะเนี่ยะนะเพราะเตะา่าคาบดันไม่คาบให้ตะขาบคาบตะขาบปากมันเล็กคาบดอกบัวไม่ได้นะีเอา้าพูดเพื่อให้โยมได้เหน็นดูนั่นเหนดูนี่พระเหนดูไปดูมากันนะ สดชื่นขึ้นพอได้ขายยาต่อไปนั่นทางนี้ชุดหนึ่งทางนี้ชุดหนึ่งอ่าแล้วก็ฟังต่อไปนะเดี๋ยวนี้เริ่มมีตัวยงตัวยันมีถุงเงินถุงทองคนจีนเข้ามาด้วยเนี่ยเห็นไหมนี่ามาเริ่มปลอมเข้ามาสอดแทรกเข้ามาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีถุงเงินติดไปทุกอันเลยนะเนี่ยจะมีความร่ำความรวยแต่ก่อนนั้นไม่มี แต่คนธําบ้านเฮาเห็ดเอาบ้านเฮาเห็ดทุ่งเฮื่อนี่พืนเนืองเฮื่อนนั่นพื้นนึงผ่าขาวเคยเห็นบอกเอาผ่าขาวด้ว่าเม่นผ่าแพ้แบบนั้นด้ผ่าแพ้เอาลงไปพระเพิ่นกับไปเห็ดซอยดาวเสแล้วอืมเมื่อก่อนลงตาไปซื้อถวยไปซื้อถวยแจ้ววะดอกโอ้มีขวดสวยแจวเนาะไปซื้อถวยแจ้ว เห็นย่มมาทั้งนั้นมาทางนี้ไปสื่อของในลานลานโพธเนาะเ้าสื่อไปอยังไรยุ่นโอ้ยไปเห็ดซอยดาวป่ะนะโอ้ยสดุดับบุญนี่ยังโอ้ย บ, บ, บุญขั้นถิน่นเขาว่าบุญขั้นถิ่นสิไปเห็ดซอยดาวป่ะนะเอาอันของเจ้าวาดเพื่อนบ่หลายที่ผ่าสักบางส ก, กุลเก้ามาหนึ่งวะ หลายอยู่มันบอมีตัวเอกมันเหมันมาซื้อพัดล่มซื้อกระติก๊กน้ํามซื้อนันเอนีไปอืเหตุสอยดาวไปดอกไปดากเขาหาเงินเขาศาสนานี่ละ่ะเขาวัดเขาว่าไปทาพุ่มคืดเขากิดเป็นเรื่องที่ดีอยู่เขาก็ได้นะแต่กลาว่า บ, บุดีแล้วแต่สิ ม, มองมุ่มใดเนะอมืมุ่มสมมุติก็เป็นแบบหนึ่งมุ่มบุสมมุติก็เป็นแบบหนึ่งนะเอา มาทนง่วงนอกเนาะเมื่นตายด้วยใยใยแกเมื่นตายด้วยใยใยหายใจยาวๆกัดลิ้นจะขวือยุ่มก้นน่ะกัดเขยวยุ่มก้นโอ้ยที่ได้แล้วดอกอือมแม่ละเนาะง่วงเอาา่อนี่น้อยเห็นมันกระเสียนสันทว้าเอาขีเบตัวจริงมาปล่อยใส่มึงได้เนาะห่านแลนควักสตา ขึ้นอยู่เนี่ยนะสวดสวดไปเลยแหละแล้วให้ละมัดระว่างเด้อกล้วยซุกมันเนี่เหมือนเรียงยันนี่ผู้มาจำพันสาเ่าเนี่ยเดินนอนเ่าเฮยอย่ามันหายขั้นวัดบ้านจสเฮียแล้ววัดบ้านเฮียขั้นวัดในก็เออได้ฝึกคิดฝึกใจเนี่ยก็อาชบพเฮียมันบ่มีเนี่ย มันบอมีอันหนึ่งว่าทีโทร่ัพา์บอกกันย่อมวา่าจ้ะเอามังอือมาใส่ในเด้อฟักทองใช่ไหมฟั ก, ฟกทองก้นเหตุบุญเดทท่านเขาจีบว่าขาดฟักทองไปซื้อมาหน้าทองใช่ไหมนะแล้วเขาจมีท่านต้นโกศลต้นโกศลหูจะกกศลบออต้นโกศลนี่ะกระถางต้นโกศลเขาซื้อกระถางโกศลมาเนี่ย ม, มันสิมีกกศลเกิดในใจ ฝักทองเนี่ยกะจะมีจะเบิกบานพราะเป็นมาฝักอย่างบอกฝากมาฝักทองมังเอื้อเนี่ยนะเอาใส่น้ำกันเอาซื่อวันมาใส่ะนะอืมปีแต่กอนผัดไข่เนะพระคนสื่อเอาเอื้อใส่ปีนีิพได้ซื่อเอาเนาะสื่อยากสิไปสื่อใส่่ายากแต่กเอาสื่อน้ำข้นให้อำเภอนําทํานํามา บ้านนำกำเนาะนำกำมะอือ้อมะเข่าโพดเช่นเสียซื้อบางปีก็ซื้อตันหนึ่งบนน่ะซื้อหลายเอามาไหวเห็ดกับเขากับนามเอ้ ย, ยานาฝักทองนะแต่โดนส า, ารพกค่อยสั่นน้าเขาบันใดดอกนะเอามาให้พายเม่อซีเป็นปันเห็ดหนามปันมกักไหลยนามฝักทองแต่อำไมทำไมไปหาหมอดไดเขาว่ามือเหลือง่ะ มือเหลืองเขาว่าโลกเป็นโลกนี่นี่เป็นโลกมือเหลืองมือโบขคือบัตนคือเมืองเพลนโบมีเลือดมือบบมีเลือดโบมีอย่างน้าบัตรน้ำเมืองเพลนมือไปทําอะไรมากหรอสร้างจังหวะเป็นเวลาวะว่ได้เห็นยังแล้วสิ่ว่าเนี่ยน้องจะว่ามือบขึบัตรหือว่ามันเหลืองจับกระมิ้นไม้กินฟักทองไหมหรอกกินพวคของใช่ปะ โอ้ยเสียหาเหตุยาถ้ า, าผมมือยังผมมีว่าวากท่องมันจะเสียด้วยกินปนั่นเต๋อเป็นหาหมออดไรมอหนึ่งก็เว่าลดมือเหลืองเขาว่าผิดปกติต้องมีโลกประจำโตอันไหนอันหนึ่งละก็ตอบเขาว่าไม่ผิดบามก็ต้องมีแหละโลกประจำโตไปธรร ม, ามาศาสตร์ บางคนก็โท่วมาถามลูกตาเป็นใด น, น้อก้อมือนีสบายดีบอบอเป็นยังเถาเนาะเถาและจะเห็นไหเนาะเกิดแก่เจ็บตายนี่พระพุทธเจ้าบอกไมส่สมบายหรือเถาไัมไผเเถาแล้วสบายธารมาสมบูรสบายได้เถานูขึ้นสมัยนุมทอละไว้ได้เ่าแล้วโอ้โออยเนาะจากเห็ดอยังกับไ่าเนื่อยเหี่ยวหนังงาน ตากระมัว่วถอดออกแ ล, ล้วก็เห็นไกล้ๆ้คยเ ห, เห็นไกล้ๆไหมใกล้บ่เคยเห็นแต่เห็นไกล้ๆใายต่เงาสินะบ่คือเก่าเสื่อมลงเสื่อมลงอาศัยเพงพระอุบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ขจ้าวเข้าเขยแหนเข า, เอ า, เอาทอนละว่ไปเร็วมาเร็วแต่ประสบการณ์ชีวิตขย่าวประทันหลายอะ อันมองดันใ น, นนี่นะแต่ม้อนดันนอกสิเขาอาจเห ล, ลายวัตามากะก็ได้นี้ครัใครแน่นอา้าคุยไปน้ำซ้ำสองทุม่มซ้ำพางซ้ำพางถึงสองทุม่มเนาะมืนตากวงๆเด้มมอม่วงกใก่ไก่หายเจ้าย้าเหเฮ็ดใจโปงป่งลงลงสายจัวะ ด, ดีดีดด บรต้องญาติ ย, ยัง้งหมดอกเราต้องห่วงยัง้งคือกันกับพวกไปเอาเหล็อยุปราสาสนี่แหละผีกับญาติยัย้งกับญาติพ่อยั้งพราะว่าอม า, าตั้งใจมาเอาเหลขเนาะคือญาตินี่ญาตมันก็บ่ได้แล้วอนี่ก็ตั้งใจมาเอาถ้ำตั้งเอาใจมาเอาปลอยเอาว่างสิบ่วยมันขึ้นไปยนาะเจ้าวางเมนี่อย่างที่เอาไว้กับโตเนี่ยเขาสิบองว่างนะบองว่าง เงื่นท้องไหวกับตัวกับบวงสมบัติแพงๆไหวกับตัวบวงยิ่งหากเข้าใจหรือเข่าถึงสติสัมปชัญญะแล้วก็แห้งสีบหวงในตัวนี่ก็ได้าตาเสียธรรมดาหูเสียธรรมดาจมูกแขนขาเสียอธรรมดามันเป็นธรรมดานะ่ะนะแต่ก่อนขั้นโมนี่เสียมันจะเพราะว่าเขาหงูจะแก่น เท่ของชีวิตได้เ็นใจมันย่บนไหรมันเสียเขาว่าเป็นยัง่ะเขาว่าถูกน้ำมันอ้อาวมาฟังเรื่องนีนำ้ำปีต่กอนกับ่าปับโก้ปีนี้หรอปีนี้กับระดับโกป้โ ป, ปีนี้เนเาะมี อ, อ้อยอ้อยกับมีให้มันหวานเนี่ย <laughs> บ่าวิท ย, ยกหัวน้ออ้อยนี่ก็ได้บอกว่าวเอาถุงสุปแน่ก็บู่ซุปได้ผานี่กับมัดทำกับไปหล่นราจากนั้นมหน่อยใส่พื้นตัวเ น, นาะผูจืออ้อ น, น่ะมันจะควบสีวาบัตรรับในผัดจืตลอดมาเมื่อใดกันรับจือ้อบรลืมจากเถื่ออันนีสั่งแล้วบ้จือห่อตีนไว้แน่นะอ้อยอ้อยนี่ ให้คุณไปขอเขาเขาโอ้มีอ้อยอยู่ในสวนเน่ยเขาสวนอ้อยเือเลยไปขอให้คุณสมปองไปขออ้อยของเขาข่อยน้ำเถาถึงสือเป็นผู้ใหญ่ถึงนายบุญถึงไปขออ้อยแล้วสร้างที่ไปขอบอกว่าเพิ่นไห่เอาเลยเพนะบัติม้าแหละเพราะบ้องหจักสวนแล้วยุใส เขาไปตั้ดอีกสวนหนึ่งซึ่งว่าเป็นสวนลตากระจกหัวคุณ่นสมภพมาบอกตายลตาผมเป็นโทษดิหนิเวรเวทยังไงรักอวย เ, ยาวเขานะไปตัดสวนหนึ่งสวนนั่นก็เจ้าของก็ดูบองไฟเราสวนไหวเขาเนี่ยนี่เผอิญมือนี่แล้วขีมว่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาส้มสวนไปไปขอน้ำเต่านั่นเวลาเอารวดมานะี่ยแต่ว่าไปตัดเพบว่าถือสวน ละเมาเก็เลยจอดมันจะใส่ถามพระกันเฮ็ดยังน้อไปฉันว่าก็บกส่วนเอา้าตาโปเบิ่งติดทัดอ้อยเนี่ยเป่นเวาสูริตาฟังยังได้เห็นเอา้าตัดใส่เราเอาไปใสแ่เราป่ะนะเอาไปเฮ็ดบุญกระถินวัดสมพนันติแล้วป่ะนะอืมแต่พอต้องห่วงเรเรื่องผมขอเจ้าของเขาแล้วะพนะราขอเจ้าของก็เรื่อง แม่ไผเจ้าของเขาผู้นี้เถึงอ่ะแ้วบ้าน่ะพอแล้วเออเฮ็ดบุญเนาะว่าศัลย์เรา่ะก็แล้วไปแล้วก็นั่งมัตสึเซนเดียวบึงจะเข้าก็ตัดเอาเต็กแหละสิบหกล้ำผมจะไม่ของควายทีสวนแล้วมั้งก็ใเปมาติดป่องเราพมก็เลยคึดขึ้นมาได้ว่าเรื่องแม่ของเจ้าของระบ๊แล้วรจะมาบึงเนาะบ้าน่ะอืมเคยถามไหม ลุงมันสวนไผ่เนี่พ่ะนะสวนผมนี่แหละตายจิตฟองเลยจิตสิวายโอ้ยผมขออภัยได้ตายผมเป็นโทษแล้วเพ่วนะ่าผมเคยเอาไปเฮ็ดปุ่นดรอพ่ะนะคุณลุงนับถือาศาสนาอย่างนับถือาศาสนาพุทธต้องทำบุญเน๊นะพ่ะนะศาสนาพุทธเ้องกันเอาไปใหม่นี่แหละเนอว่าเอ า, าศาสนาเมื่ออ่างล่ะ โอ้ยผมขอไปได้ป่ะนะเพราผมเหตุผิดแต่เหตุที่ไหนสันปันว่าเป็นโทษแล้วผมเนี่ยปันว่าเอาไปเป็นยังโรเป็นหยอกเอารวดเอารลดปันว่าเว้ยเ่บอกแต่ที่แรกเนาะสันละว่าว่าเสี่ยให้ไปเอาสวนพุ่นแล้ว่าน่ะมันง่ามคนนี้อันนี้มันกี้ลายผมก็บบอยจากท่านแล้วอันกี้ไล่เนี่ยสันละว่าเอาไปถือคนจบมันก็จบตนเนาะปันว่าพุ่นบอยจากท่านโอ้ยมันไม่จบอันนี้มันว่างมันกี้ลาย โอ้ยล really the ุงเอ้ยสมน้ผมเกิดใจหายใจามพ่อตายเลยละหายสมนิผมบอกผมเด็ตัดเลยได้สิหกล่ำเลยผมเอารดทเนาะนะครับครับครับเพียนบุญน้ากันโ้ยอันนั้น้ออออายุวะเนิ่สุกเอามาเลยได้ความเก่ามันเคยบวชมามันลายไปทั้ันญญาณเขาจับม่นนะอือมันิงหอดยะถาบที่ันไม่ไดสงสารแล้วมาตกนงกับคโอ้ยลงตาผมเป็นโทษอี๋ไรนี่นี่วัปรักอ้อยเขา ไปกับ้างที่เร้างที่เ้าผ้าหลักตะเการกว่ะ า, างที่มขึ้นยากหัวอันนี้ก็ได้นี่จะปัญหากล้วยจะใข่แน่มดห<ว>เอามาดือกแน่อ้อยนี่สโอ้อยหลักเขามาแล้วเฮัยนี่สิแม่อ้อยอันนี้น่ะมีธีมันน่ะเอาถุงประจติกใส่ที่แรกเอาขวดเนาะตัดขวดจุบขวดริดนะ จัดผูกสวมกุ้บกับไปอเทรีโพ ล, ลงไปครึงขวดเทสิริเพื่อเครงขวดใบมันสิตั้งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมื่สองมื่นสา ม, มืนน่นเนี่นะโดเป็อคนเนี่นะไซรีโพจะเครงขวดเทจึริเพื่อเครงขวดแล้วก็น้ำใสได้มันสิสวมมันสิซื้นตลอดเวลาดอกไม่ดอกอย่างมือไหนที่ซื้อแม่ไหนดอกนี่นี่นนมือไหนแซนไอกาลามังในเทกระทิ่แดงลงไป ขวดเดียวเท่านั้นแหละมดกมันมางี้เนี่อันประมาณสักยี่สิบนาทีแหละอันเคยนอนอยู่ในที่ตั้งขึ้นมาเลยลตัวตาก็หดึดสร้างเปลี่ยนไปได้มันมันโง่ขึ้นมาเลยเนีสร้างเปลี่ยนได้อันนี้คือกันเนี่ยขึ้นได้กล้วยมืดอีกที่ย่อนอยู่ในตั้งขึ้นหมดแล้วเนี่ยสซริโพฟจังหาสิบขวดมันขึ้นเลยได้เนี่ยแต่ใส่น้อยมันก็ใส่ซื้อๆเขียวซื้อๆต้องใส่หลาย ๆ, ๆนะ พระซี่มูนี้ก็กันนี่รีพโดแดกใส่นี่ตั้งโคโมเลยสวดนโรตานี่เี่ยเป็นดอกเอ้าตั้งใจเด้ออย่าเหงาอย่า ง, ง่วงเนให้ใจตื่นเบิกบานแจ่มใสเนี่ยนะแต่ก่อนขั้นอยู่บ้านวัดบานบันยังเขาว่าให้นอนงั้นกระถินนี่เนี่นอนเฝ้ากองกระถินนู่นี่แล้วเมื่อไดไปใส่ล้วขึ้นในนอนโคโลอยู่นี่แล้ว เธอนึงลงตานอนทางเน่นนะเลยเอามุงขอบเนี่มาใส่นอนมันมืดตึ้นมืดตาเบื้องไอยกูขึ้นเด็กน้อยเนีาา่ยนะวะเอามุงขอบใส่จากอายว่าก็เลยออกมาแล้วพับใบซ้ำไปำจากอายคนนะ่ะนะย่านผีมาเบื้องว่ะนี่นี่ใเอามุงขอบขึ้นซุมไกลในซุปกรึบกลับไปนะแม่มันไปจากขักไปไหนมันต้องกดแม่ว่าคึ้นในใจนะมุงขอบหรือว่าขึ้นผสมซักสีเนาะ เครื่องนีน่ขอบเมีงวันเนี่ยนะันถามบังขค้น่องคือมันลกึ้นมามันยืนบงเจ้าของป่ะเคื่องมุงขอบเม่งวั่นเนี่ยน้องวะแต่ใคัอมากม า, งายงเนะาะใครอยากเหตุไปละไงเยแล้วไงไงสิวัลตต่อได้บา่าแนงนี่นู่นนี่มหาปพพุถุตเจ้าคุย ก, กันกับพระเจ้าสยยาเสียนเลยนะมหาปพพุถุตเจ้า ต่ปุริจวัเ น, โ น, โเนเน่หน่อยไปใส่โน่หล่ะเอ้ยมือนีขึ้นใบหน้าหินตามาบีบแกงบีบขาไปทั้งหดมานอ้ออันบ้าบุตรเจ้าครับพอันผมคุยกรับอันพระเจ้าแผ่นดินอยู่ครับพนพระยาแผ่นดินอยู่ใส่ละอันเบนมาแต่เมืองอี่ยงเมืองพระเจ้าเม็ดเขาสารหรื อ, อยังเนี่ยโวพิมพิสารครับพิมพิสานนั่นแหละ คุยกันไว้จังไดแล้วเพื่อนมาถามเรื่องปฏิบัติธรรมนี่ละเพื่อนว่าเสื่อว่าปฏิบัติธรรมนี่เขาทางธรรมได้รู้แจ้งได้ผมว่าไปถามหลวงพี่ในวัดซะเพื่อนก็บบไปเป็นอย่าง่ะชักน้ำเบิลเพื่อนว่า พูง่ายมาก็ตอบได้นั่นแล้วถามเล็กน้อยบวชไม่เนี่ยได้เยอะจี๋หนูคนไกยคุมถามกันน้อยเส็จแล้วแล้วเจ้าตอบอว่าอะไรล่ะนผมว่าตามคว้มจริงแนวที่ผมเห็นได้แนวนะว่าขออย่างไรแน่อันผมว่าขอจะปฏิบัติได้ขอเท่ามีใสใจกับการปฏิบัติเอาอยุปันนั่นละ่ะ เดินจงกรมบดมือขึ้นหลวงพ่อเห็ดผมมาละพะนะออืผมก็เฮ็ดบดมือผมก็ว่าโอ้ยสวว่ า, วางๆเจต น, สนาสิกัเล่าสุพรรณฟังล่ะเอาเจ้าคือไปเล่าสุพรรณฟังพะน์ย่างถามอยู่ตลอดแม่พ น, นะถามให้ผมเบาเจต น, นา้ิตอบมาลวดพ น, นะนพนว่านนะ่ะ มืออื่นควายจะใช่บาตให้ต้มไก่เซียนบุรี้เจ้าสะเอาวผผมก็เลยาว่าออให้เพิ่จักหน่อยก็น่าเลยเทศให้เพิ่งฟังจังหนึ่งนะอ๋เว่าสีขึ้นว้าจังไรเนี่ยมนเป็นตเว้ายากว่าจักเป็นอย่างบนคือบทเสือว่าจังไรเพิ่งกระบเสือผมเป็นไฟโได้ที่เด็กน่อยหน่อยสมัมันสิเขาใจธรรมะเนี่ยมันสีว้าเอาติเลืจังไดหัวหนั จังพนเพลนนี่เพลนเกิดมาเพลนว่าเพลนบ่าจะอยากได้ธรรมะด้เพอยากได้ธรรมะอมืปฏิบัติธรรมนี่มันสิบรรลุบอผมบอกว่าบรรลุขอตจเห็ุถื่อขั้นเหตุถื่อแล้วบรรลุรดผมบอกว่าคือไก่ฟักไข่เนี่ยแหละมันบพอยากออกเป็นตัวกระส áng, ังแต่เขามันโกกอยู่มันสิออกเป็นตัวตัวห้ามนะันอ่ะอืมอันนี้คือกันขอตจเหตุถือ่อปฏิบัติถือ่อ มันต้องออกแหละถึงแม้เพื่อนจะบออยากบรรลุกษัริย์กันเพื่นจะเลื่อนสติย่างถือต้องเนี่ยทุกมันต้องลดต้องดับปัญญาต้องเกิดเห็นแจ้งคือผมเห็นนี่แหละผมก็บอกไปเสียละ่ะเพื่อกันกับเอปฏิบัติแล้วมันจะเป็นคนเห็นไก่ก็กันขึ้นเที่งภูเขาเนี่ยแหละเลี้ยวลงมาเนี่ยบางที่ก่วงไกลหรือว่าอืมเพื่อกันครับไก่ฟักไข่นี่แหล่นะ ขั้นห้อยยกไก่ยกสุงสูงเสียนสิ่งทีไก่ขั้นบ่อบ่ขึ้นทุกสูงขั้นอยู่ตำตำก็เสียนตำตพระเจาะเพ่นดินคือสิเพิ่นสิยู่ในแบบนั่นอ่ะเพื่อนจมอยู่ในกิเลสตัณหาเพื่อนมีแต่ข่มคิดมีแต่อารมณ์ผมขึ้น่าเพื่อนขึ้นสิเพื่อนเห็นดอกแต่เพื่นว่าเพื่นเป็ี่ยนยังสั้นเพื่นเหตุเพราะดอกผมมาเหตุใดขอจะไมาเหตุมันว่าผมก็ต่อเพื่นไปสั้นแล้วกัน้อยเพื่อนพอคนจะเจ้าเลยมา โอ้แหล่งเจ้าก็ตอบดีเนาะพ่ะย่ะตอบดีตอบถึกผมก็บอจ๊กว่าถึกหรือบ่ถึกถึกแหน่วเป็นยังจะบ่ถึกเ น, นาะพ่ะย่ะธรรมะมันของมี่จริงมีอยู่อืเจ้าบ่ต้องไปเว่าวไหลดอกพระเจ้าจะยเเห็นเนี่ยแล้วอยู่ในโลกอืเป็นคนที่มกมุ่นอยู่ในกามคนที่อยู่แบบนั้นอยู่กับลูกรดกินเสียงเพิดเพิ่มกันกิเลสตัณหา เท่าสิมาเบาเลี้ยงที่ลึกซึ้งให้เราฟังแล้วพอเข่าใจดอกแล้วพรู่เรื่องแลยยอมรับปวาอืมมันย่อมรับป่าด้คือคนอยู่คนละโลกมอไมเข้าขึ้นไปทั้งสวรรค์บนแล้วเบาเรื่องสวรรค์เป็นไปนั้นไปดีเขาฟังพวกมนุษย์มันบ่หัวใจดอกคือกันเบาโลกกุตตะระถ้ำให้คนโลกเยียฟังเนี่ยมันพอเข่าใจ โดยจะบอกคนทีบ่มีโยนิโสณมานะสิการบร่มีคนละเอียดในการฟั่งไม่แยบคายไหมไม่ใส่ใจบรรณาอื่นบ่ใส่ใจในการฟั่งบ่แยบคายบ่พินิจพิเคราะห์ว่าสิ่งที่บอามีเหตนะุมีผลเราไปหย่ำเบิ้องนะสิปากซอบอ่ถอตาเห็นสิตาเห็นบ่ถอมือค้ำสิมือค้ำบ่ถอได้ย่าเบิ้งคือไปพินิจ พ, พิเคราะห์พิจารณาด้วยใจก็เสียนตำหนิสิเพเห็ุมันก็จะสิเกิด อืคนที่อยู่ในกรรมสิมาเวา้าเรื่องนี้ว่าเป็นไปได้แบบนั้นไหมนี่มันบแมเณฐานะเพื่นว่าพระพุทธเจ้าเปินเลยบอกว่าเ อ, อมันคือกันกับอันคนที่อยากได้นมวัวไหมคนไหนที่บวมมีโยนในโสมันจสิการโมหะจักสังเกตโมหะจักพินิจพิเคราะห์เน่บอก า, าเบิง้งจอะเบิ้งว่าทุกข์มันอยู่าส อืมเมาจักนะสมมุติมันขั้นเนี่ยสิขั้นอยู่หลังนี่ยิ่งมาเกาอยู่จมูกนี่มันสิเถือ่อติมันขั้นอยู่หลังก็ต้องเกาอยู่หลังขัขขง้นอยู่ขาก็ต้องการอยู่ขาขั้นหัวกับเกาหัวทะนเนาะอืมยิ่งไปเกาขั้นอยู่ตีนผ ม, มากาเกาอยู่ปากพอ ไ, ได้แล้วโ ม, มกคนละแนว้วพระพุทธเจ้าพนว่าน่อยจะาพุเห็นติมุนี่เขาไปบินถบาดนะเห็นใครเจ้าเอานมให้ง้วนะเห็นครับนะ เขาจะเอาน้มม้วนเนี่ยเอามาศใส่เขาก็เอามาจากน้มแม่มันแล้วครับพะน้าืมไปบีบเอาล้มเขามันไบรต์ตีพะน้าสองเข่าบีบเอาบีบเอาพี่บ้านังนล่ะครับมันไม่ทิออกมันบอกแล้วน้มทิออกยูเข่ามันทิมีดเจมนะเขาต้องเอารีดเอายูนมมันนั่นแล้วนะใครเคยไปอินเดียบ้างยามืวัย้าตลาดอินเดียบกขึ้นบานเอาได้เขาจะอาหิว หิวถังเนะี่น่ะหิวถังที่นมง้วเนะนี่ยนมผูผานเนะี่ยเราเคยเห็นนะที่เขาไปปรีดออกมาไม่ไมนะ่เนี่ยจี้บี บ, บออกมานะ่ะเขาสิมัยืนขา ย, ยน้าตลาดคือตลาดดวงมองฟตลาดวันนี้แหะแต่ว่าเขาไปซื้อตัวไรละ่ะเขาสิทเทศใส่ถุงกอบแกบให้รหดได้แล้วเขาก็หิวมากโหลดได้ไม่เป็นถุงสะอาดสะออันเี่ยอย่า ง, างแบบนั้นไม่ไี้ถุงกอบเก็บเนี่ยไหมทเทศใส่ถุงมาเลยด้ซื้อนอมมาแหละมาต้มกินเอาเองเลยเขาขายนมดิบให้ ขายเ้าแล้วก็ซื้อออกมาเลยตาไปเบึงอา้าวยามสาวกายืนจู่ๆพูดหนักขี้จะกยันพูดนี ญ, ญ่างมากกว่าซื้อธนรูปีก็เท่โจกๆๆไงถุงกอบแก็กว่า ห, วหิวมาลดโอ้วเห้าวยันเปล่ า, าจีโนได้สตแตเเลตพลอยากใส้นหนันเส้นนี้ของโอ้เจ้สิล่ะประเทศที่จะเลื่อนแล้วนะนะ <c oughs> เงื่อนไขมันหลายประเทศเจเลื่อนนะปัญหาเยอะแยะนะ สิ่งของราคา่ากับเถืกอซ้ากันนะแพงซ้ากันนะซื้อบาทนึงก็ได้นมจอกหนึ่งเขาซื้อห้าดอลลาร์ก็ได้นมจอกนึ่งคือกั น, น, น, อ, น, นอยู่ประเทศเท่าค่าซ้ากันเด้บอได้จ้างกันเลยพระพุทธว่าสันใดก็ดีคนบ่มีความแยบคายฟังก็คือกันอยากได้ธรรมะอยากได้ธรรมะมาบวชมันก็อยากได้ธรรมะเนาะเขา ว, วัดก็ว่าอยากได้ธรรมะอยากหูธรรมะอยากเห็นธรรมะเพิ่นว่าบุญญาด อ, อกอยูงเฮินน่นเปิ่นเกิดเอาได้ปะนะ อเออพิเหตุบราย ด, ดอกอยู่เงื่อนกับซ้ากันว่าบีบเอานมจากเขาง่วงแล้วคนว่าปิน ย, ยาเด้อคนหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินบรรยูหันบรรจีได้ทีมกมุ่นอยู่ในกิเลสนี่ออกเ่อได้หรือคนว่าอูปอมาอันนึงก็คืออยากได้น้ําอยากได้น้ําอยากได้น้ําเนะอยากได้น้ํามาดื่มบุคคลผู้หิวกระหายหวังอยากดื่มน้ําได้ยินเขาว่าในดินมีน้ํา ไปกวาดเอาทรายใส่กระป๋องใส่ถ้วยมาแล้วก็บีบคั้นกันอย่างยกใหญ่หวังว่าจะได้น้ําบอมีแล้วหาทำมาจากกายนี่หาแบบใดนี่สี่หาตี่ปาดหาที่มักลาบอมีดอกนะสี่ขาเจ้งไหนมันบ่ได้ดอกครับผมกะว่าสั้นแล้วนะแต่เอาเพิ่นบอกฟังได้ละเพิ่นเถียงอย่างไงเด้อืมบอกว่าจะไปเถียงกับคนตาบอดมันกับตาบอดไปเรื่อยแล้วบมื่อรู้แล้วผมก็ว่าสั้นแล้วครับนะ ปรากฏว่าเอาอแสดงทมไปเรืเ่อยๆคุยกับสมณีมมนี่สมณนี่มีจิตใจฟังธรรมะดีได้ขณะน่นเกิดสว่างขึ้นเรืเ่อยๆได้แน่นนี่นั่นคนฟังธรรมะด้วยโยนิโสมนสิการเด็อมีพายพระพุทธเจ้าไปนำ่ขณะนั่นบรรยากาศเงียบสงบนกในป่าส่งเสียงนิดๆหน่อยๆ ใจของสามเณรก็คอยล่องคอยล่งเงยียบสงบล่องสงบล่ ง, ง, ล ง, ลงเกิดอปิธีเอิ้อยบีบกาไปหลู่สึกโตไปใจก็เลื่มสว่างโอ้ยคำ ว, ว่าวงปุโรดีเยาสังเม็ดขักน้อโตเจ้าของเองนี่นก็ปฏิบัติแสดงทาไปที่บานมากเลยจําพระคาแทพระองค์ผู้เจริญอันผมเบ่าอันกับเพิ่นนั่นพระเจ้าแผ่นดินนั่นว่าไม่เถือกบอรครับ บ้านเอิเดียวโอ้ยสาธุด้อละเอ้ยเจ้าตอบเพื่อเถื่อล ะ, ละให้ตาท้าคดเพดตาท้าค ต, ต, าคตกะเบาคือเจ้าวานีล่ล่ะหลวงพ่อกระิบอกคือเจ้านีล่ล่ะเจ้าว้าถื่อละละ่ะบา้านะไว้ผมสม่ำ ด, ดีใจถ้านอกขนหวัวลุกมัดนะแม่เนี่ยอืมพื้นปีติยินดีด้เน้นอันนเองอบอิ่มขึ้นมากสิเอานา้ำ จากดินสิมีเตแต่ในดินมีน้ำสินะคือว่าคนเท่ามันนึกธรรมะอยู่ในใจยังไงล่ะมันอยู่น้าคนน่ะใจอยู่ใสแหละมันง้มหาบมมีเด้ธรรมะอยู่น้ำโตเท่านี้ล่ะโตเนี่ยู่บวันใดล่ะนี่คือกันกขาว่าน้าอยู่ในดินแหละยู่บวนไดเพื่อสิได้ดินไม่ยากเขาบอกหลายๆคนสิบอกว่าเฮ้ยสานักใดกระส่วนธรรมะอยู่ในใจนี่ล่ะเออมันเรี้ยงแตะคือว่าก็บอกนั่นแหละน้าอยู่ในดินแหละยู่บวันใดอะอืงหาบเุตอกับพ่อได้ แบบ น, นี้อุปมาจะนึงบุเรียวา่าคือคนอยากได้ไฟเอาไม้มาสีกันในมันเกิดไฟมันบ่าเกิดไฟไม่เปียกต้องหาไม่แห้งนั่นการที่มีโย่ในสูงมั น, นสิสการในการใส่ใจเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดกับชีวิตเนี่ยข้าเน่าสังเกตเป็น พ, นพินิพปีคอเอ็นพิจานาเป็นใจมันแห้งใจมันปล่อยมันว่างปัญญามันเกิดได้เห็นรูแจง้งเห็นจริงได้ทุกดับได้นะ เข้าใ่ใจนั่นเข้าทั้งหลายมากเมื่อนี้เมื่ออื่นเป็นตอดกระถินเนาะเมื่อนี้พระเพิ่นถือโอกาสซ่สอมกระถินเล็กน้อยเนี่ยรับกระถิ่นต่อไปนี่เนะจ้าภาพมีสามคนมีมีสามผ่าไตนะอา้านิมนต์พระสงฆ์ถงแถลงฮันานามาทนี่เตรียมตัวเรื่อง